วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจาอย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมพทาพเปิขาของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าชื่อนี้จะสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้เชื่อว่าตนเองแต่งตั้ง ต, งตนเอง